สามจุดสองหนึ่งฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วจะปฏิบัติอย่างไรฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วเข้าใจแต่พอลงมือปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรนี่ธรรมะคนที่ฟังกับหลวงพ่อจะเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆหลวงพ่อไม่ได้ให้ปฏิบัติอะไรเพราะฉะนั้นฟังแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะที่แท้หลวงพ่อไม่ได้ให้ทําอะไรแต่ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตใจมันเคลื่อนไหวให้รู้สึกไม่ได้ให้ทําอะไรหรอกให้คอยรู้ทัน ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเพราะฉะนั้นเวลาฟังซีดีฟังธรรมะหลวงพ่อนะฟังแล้วง่ายฟังแล้วมีความสุขสดชื่นแจ่มใสฟังแล้วสบายใจฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วเหมือนเหมือนเข้าใจแต่พอถึงการปฏิบัติไม่รู้จะทําอย่างไรทําไม่ได้มีคนมาถามหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อตอบทุกทีว่าทําไม่ได้หรอกมีนะในสูตรของเว้ยหลางมีคนมาบอกเว้ยหลางบอกท่านอาจารย์เว้ยหลาง วัดข้างๆกันเจ้าสํานักชื่ออาจารย์อหลุนอาจารย์อหลุนประกาศเลยว่าใครอยากรู้วิธีปฏิบัติให้มาถามอาจารย์ออหลุนท่านเว้ยหลางบอกว่าเราไม่มีวิธีหรอกมีแต่ตื่นแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเรื่อยเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจที่ทํางานอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มันทําของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราดูลงไปจนเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราจะได้พระโสดาบัน ดูลงไปจนเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจะเป็นพระอระหันต์ไม่ต้องทำอะไรหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันอยากทำด้วยความอยากทำแล้วยิ่งเครียดฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดจะไม่มีเลยว่าให้ทำอะไรเดินจะต้องมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอน นั่งจะต้องมีกระบวนท่าอย่างไรไม่ได้บอกหรือหายใจลมจะต้องกระทบกี่ฐานนี่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอาจารย์ชั้นหลังท่านสอนขึ้นมาเองฉะนั้นเราหายใจธรรมดาเดินพ่อแม่สอนมาอย่างไรเดินอย่างนั้นเพราะพ่อแม่เป็นครูคนแรกของเราพ่อแม่เป็นครูที่ดีที่สุดของเราพ่อแม่สอนเราเดินมาก็เดินอย่างนั้นแหละเดินไปแล้วเราก็รู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวเราจะเจอพ่ออีกคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้า